ตังใจสมาฐานศีนละคณะ า, า, าจายญาติโยมวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะตกตอนเย็นพวกเราก็จะได้เวียนทเทียนพระทักษิณรอบพระพุทธปฏิมาเพื่อถวายความเคารพสักการะตอนเย็นนะนะแต่ตอนเช้าพวกเราก็ได้ถวายพัะหารพระสงฆ์แล้วก็ได้อาราธนาศีลรักษาศีลอุโบสถ เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอันนี้เรียกว่าปฏิบัติบูบชาเราถวายข้าวน้ําโภอชนาอาหารปัจจัยสี่อันนี้เรียกว่าอามิจบูชาแต่พวกเราไหว้พระสมาทานศีลปฏิบัติสํารวมกายวาจาใจาของเราอันนี้เรียกว่าปฏิบัติบูบชา ปฏิบัติบูชาเนี่ยเลิศกว่าอามิทบูชาแต่ถึงยังไงก็ต้องไปด้วยกันถึงจะเลิศยังไงก็ต้องไปด้วยกันอามิทบูชาและปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งในปีพศ2559เนี่ยมีวันนี้วันเดียวเท่านั้นคือวันมาฆะบูชาเป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศา ส, ส, ส, ส, สนา เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ได้ประกาศพระาศาสนาประกาศพระธรรมคำําสอนคนทั้งหลายก็ได้เข้ามาสนใจปฏิบัติจากนั้นก็ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาบวชกับพระพุทธเจา้าเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นเมื่อพระสงฆ์บวชเข้ามาแล้วก็มีบางองค์ข้อ ยังจิตใจยังใยทางโลกยังติดอยู่ในโลกโลกโกดลงราคะโทสะโมหะผู้ที่ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ผู้ที่ยังใยในทางโลกอยู่ก่อนจิตใจไปทางโลกการกระทำการคิดไปทางโลกการกระทำการพูดก็ไปทางโลกเพราะนั้นเมื่อไปทางโลกมันก็ผิด ไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์เพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยให้พระสงฆ์ในยุศยุคนั้นสมัยนั้นปฏิบัติตนให้ถูกต้องจึงมีวันนี้ขึ้นมาสรุปแล้วคือหลวงพ่อก็บอกว่าเป็นวันประกาศกฎกติกาปกครองสงฆ์กฎกติกากฎรัฐธรรมนูญปกครองสงฆ์ในครั้งนูน้นแต่ว่าการปกครองสงฆ์ ของพระพุทธเจ้าคือในวันวันนี้ دة, เมื่อ 2,559 ปีให้หลังพระสงฆ์ล้วนเป็นพระอรหันต์บวชเฉพาะพระพุทธเจ้าพ2 5สอรอบูปบวช ด, ด้วยเอหิภิกขุมาพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดแนะตอนบ่ายตอนบ่ายพระสงฆ์มาพร้อมกันแต่ถ้าหากวัยกนยุคนี้สมัยนี้ การมาการมาก็ไม่ไม่ใช่ของแปลกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มาในวัดของหลวงพ่อวันนี้พวกรันท่านทั้งหลายกวดได้ยินทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งไลายไปหาการทั้งโทรศัพท์นัดแต่ในครั้งพุทธเจ้าไม่มีสื่อสารเหล่านี้ท่านมีโทรจิตมียานรัศตนะพระพุทธเจ้านึกเออพระสงฆ์ ในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตในอดีตการที่ผ่านมาจะมีพบจะมีการประชุมกันครั้งหนึ่งเพื่อบริจญญัดวินัยให้พระพุทธเจ้ากำหนดวันขึ้นมาเท่านี้แหละพระสงค์ท้งหลายมียานรัตนะคล้ายๆว่าติดวิทยุติดตัวอยู่งันเถอะท่านมียานรัตนะท่านก็มาพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดแนะมาตอนบ่ายสองโมงจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได บัญญัติวิในขึ้นมาในคอหัวใจนะวิในนั้นสัพปะปาปัาปสอาก า, การไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสูปสัมปดาลการ ก, การยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสากิตปริโยรปานังการทำจิตใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสหนึ่ง เอตังพุทธานัสสะสนังอันนี้คือพระพุทธเจ้าตรัสในวันบัญญัติวิ น, นัยระหว่าวันโอให้ท่านโอให้โอวาดกับภิกษุสงฆ์การไม่ทําบาปทั้งปวงคิดก็ไม่ทําบาปเมื่อคิดไม่ทําบาปแล้วการกระทาจะทําบาปได้ยังไงการพูดก็ไม่เป็นบาปเพราะคิดไม่เป็นบาปทําไม่เป็นบาปพูดไม่เป็นบาปการไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่ง แล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องแผ่วผ่องใสเนี่แหละเออโอวาทของพระพุธทธเจ้าที่ท่านให้ในวันนั้นพัะทัาขอให้พวกเราทุกทุกทนทุกท่า ท, ทนนะ้ะวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติกฎกติกาปรกของสงฆ์เมื่อสองพันกว่าปีเนี่ยแต่มาถึงวันนี้พวกเราก็ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลพวกเราก็ควรจะสำรวมกายวาจา ของพวกเราให้เป็นผู้มีศีลอย่างน้อยพุทธศาสนิกชนอย่างน้อยก็มีศีลห้าละวันนี้นะข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าในวันนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนอย่างอย่างน้อยก็อย่างวันนี้ควรจะมีการรักษาศีลสักวันหนึ่งยกเว้นสักวันหนึ่ง คือข้าไปเจ้าจะไม่คิดค่าก็ว่าข่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยข่าคู่ข่าคนข่าอะไรก็ตามข้าไปเจ้าจะงดทั้งหมดในวันนี้ข้าไปเจ้าจะงดขโมยของคนอื่นขนาดคิดยังไม่คิดละวันนี้เรื่องขโมยของคนอื่นเขาข้าไปเจ้าจะเคารพสิทธิ์ในสามีภรรยาคนอื่นเขาข้าไปเจ้าจะไม่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาข้าไปเจ้าจะไม่ดื่มของมึนเมา ให้ขาดสติในวันนี้เนี่ยละคือศีลห้านะนะเขาเราเขาเรานะในเมื่อเราไปทำให้กับเขาเขาก็เสีย อ, อกเสียใจเดือดร้อนแต่เขามาทำให้กับเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นศีลห้าของพระพุทธเจ้าถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วคือศีลคุ้มคองโลกจริงๆนะลูกหลานนะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานศีลนะแต่วันนี้ศีลจะรักษาศีลถึงศีลปดนะ แต่พอถึงจบศีลห้าแล้วหลวงพ่อเออจบศีลห้าเพียงเท่านี้นะและจากนั้นหลวงพ่อจะนำพานำสมาทานศีลแปดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้เคยบวชชีพราหมก่อนแล้วนั้นหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายรักษาศีลอุโบสถนะควรจะงดเว้นสักวันหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวต่อนี่ไปหลวงพ่อจะนาสมาทานศีลนันทนีนะ นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทีเล น, นันิผูติิงยันติตัสมาสีหลังวิโสทายาธุเอาต่อนี้ไปตั้งใจกล่าวคำถวายอุทิศส่วนกุศลน้บานีน่าพี่น้องสถาญาติโยมลูกหลานทุกคนกล่าวคำถวายพระตาหารนะครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันก่อนนะครับ นโมตัสสาภคาวตตอาระตะสัมมาสัมพุทธัสสะหยุดการเคลื่อนไหวหยุดการคุยกันดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเท่านั้นแหละท่นี่อยู่ในความสงบเงียบเดี๋ยวมีอะไรหลวงพ่อจะพูดให้ฟังไม่นานนะลูกลาน พอจัดอาหารมานี่ยเกือบเก้าโมงครึ่งแล้วเนี่ยพวกกูบาอาจารย์พระน้อยพระหนุ่มคงจะหิวพอแรงเหมือนกันพระท่านฉันมาตั้งแต่เมื่อวานแต่หลวงพ่อเนี่ยฉันมาตั้งเจ็ดสิบกว่าปีนะไม่หิวเท่าไรหรอกหลวงพ่อแก่แล้วเมื่อไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยลงไปกรุงเทพนะลูกหลานนะอาหารพระสี่องค์ด้วยกันนะจัดอาหารถึงสิบโมงจัดตั้งแต่แปดโมงโอ้โ หลวงพ่อทุกเพราะรวยว่างั้นเ อ, อมีอาหารมากก็ทุกเหมือนกันนะลูกหลานนะไม่รู้จะทำยังไงผู้ศรัทธาผู้ที่เอามาถวายก็อยากจะให้ถึงมือครูบาอาจารย์ผักตะไดรเส้นเนี่ยเียงใส่ถาดเนี่ยเียงเรียงยเรีย ง, ย ง, ยงขนาดจะเป็นขนมก่อนเรียงจะเป็นปลาแห้งอะไรกเรียง ประดิษฐ์ปดอยว่างั้นแหะขนาดญาติโยมที่เขาทำํำทั้งครอบทั้งครัวนะเน่ยเรียงผักใส่ถาดนะ่นานกว่ากูบานั่งสมาธิอีกต่างหากเลยกูบานั่งสมาธิเนี่ยพอนั่งเข้าไปสีห้านาทีปลอกปละปลอกปละโดดออกจากสมาธิแล้วงานออกจากภาวนาพวกเขาเรียงผักใส่จานใส่ ขาดแต่ยังไม่เสร็จเท่านั้นเอ่อะเนี่ยอันนี้พวกกูบาทั้งหลายดูๆนะแต่เดพ่อเอามาถวายหลวงพอ่เอเลยทำยังไงลับลับลับลับเออยิ่งกว่าชกมวยอีกต่างหา ก, กว่านะความเร็วงันเถอะแต่ขนาดนั้นก็สิบโมงพ้นมืวานมันก่อนนะ <c oughs> อยู่ที่สวนแสงธรรมโอ้อาหารเนี่ยคงจะอีกสักเท่าหนึ่งในวันนี้นะหลวงพ่อว่านะแต่วันนี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเยอะอยู่ แต่อยู่ที่นั่นมันรู้สึกว่ามันพระน้อยอีก อ, อ, อาหารเยอะใช่แต่ขนาดนั้นเร็วขนาดนั้นก็ยังถึงสิบโมงนเอาฟังนะยีนน้นะลูกหลานนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์พุทธศักราชสอง9ันห้าร้อยห้าสิบเก้าถือว่าวันนี้ ในวัดของเราก็สำคัญในระดับหนึ่งแต่สากลโลกก็สำคัญก็คือเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศกฎรัฐธรร ม, มนูญลปลกครองสงฆ์เมื่อ 2,559 ปีให้หลังอย่างที่หลวงพ่อที่พูดได้กล่าวไปแล้วนั้นแต่ในวัดของเรา แล้วก็หลวงพ่อในประกาศคงจะเป็นถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วว่าเป็นต่อไปภายภาคหน้าคณะทธาญาติโยมโลูกหลานผู้ใดถึงวันเดือนสามเพนแล้วก็ให้มาร่วมรวมกันทำบุญุทศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะรคุณของของวัดหรือว่าพ่อแม่พี่น้องของเราแต่หากว่าพูดแบบหลงตาท่านก็บอกว่าทำบุญทบุญเปิดโลกธาตุ แต่เราไม่กล้าใช้สับ์ขององนลตาสับนั้นแต่เราก็เปิดเหมือนกันนะคล้ายๆว่าเปิดให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมดวงวิญญาณใดถ้าหากว่าตกทุกข์ใยากไม่ว่าญาติโกโหติการในอดีตหรงในปัจจุบันชาติก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างบุญทาบุญในวันนี้นะและก็พร้อมกันเราก็เน้นเรื่อง ผู้มีอุปกรณคุณของวัดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อคืนนี้ผู้ที่มาร่วมสร้างวัดเสียสละจะตก ป, ปัจจัยมาสร้างวัดแล้วก็ได้ออกกำลังกายมาได้ยากค้นยากค้นดินข้นหินข้นทรายให้สร้างวัดวาศาสนาแล้วก็ผู้ที่วางแผนวางแปลนแผนผังเพื่อสร้างวัดของเราเก็ หลายท่านหลายคนตั้งแต่ปีสองสามจนถึงปีห้าเก้านะคือการสร้างก่อสร้างของเราก็ไม่ได้ยุดไม่ได้หยุดยัง้งแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่พวกเราไม่ได้เน้นทางด้านวัตถุนะถ้าว่าพอเป็นไปได้แล้วพวกเราก็ทำจุดไหนที่จำเป็นแล้วก็ต่อเติมไปเหมือนกับต่อรังต่อรังแตนนั่นแหละ เ, เมื่อมันมีมีลูกขยายพันออกมาขยายออกมา เขาก็ทำทำหลังให้ขยายออกไปนี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อดูเหตุการณ์ท้าว่าพี่น้องลูกหลานเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นมาหลวงพ่อก็ต่อเติมตัวนั้นต่อเติมตรงนีนะ้ลักษณะอย่างนั้นแหละแต่เราก็ไม่ได้เน้นทางด้านวัตถุเพราะว่าวัตถุที่เราเห็นตามวัดต่างๆเมื่อครูบาอาจา ร, รย์ร่รยไปตามอายุสังขารนะวัดล้างนะโอ้สมภารที่จะมาทดแทนนะทุกจริงๆ เพราะอะไรซ่อมขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะให้ใครอยู่ถ้าไม่ซ่อมหรือก็อดสูดูได้เพราะนั้นหลวงพ่อมาคิดจุดนี้เหมือนกันนักนัศรธายญาติโยมเพราะนั้นพวกลูกหลานทุกคนเข้ามาสู่วัดของหลวงพ่อให้ลูกให้ลูกหลานคิดสำนึกไว้ในใจว่าเออหลวงพ่อท่านคิดเหมือนกันที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกหลานญาติพี่น้องศร้าญาติโยมที่มาพักวัด แต่ว่าท่านคิดไปในอนาคตนะนะั่นแหะถ้าพานท่านไม่มีท่านตายไปนะพูดง่ายๆถ้าหลวงพ่อตายไปละ่ะองค์ที่มาสืบทอดนะ่ะจะรักษาได้อย่างไรหลวงพ่อคิดถึงจุดนั้นนะแต่ว่าตามไม่จริงว่าหลวงพ่อคิดมากเกินไปใจหลวงพ่อคิดถูกนะเพราะเห็นว่าวัดหลวงปูล่ลา ก, ก็เหมือนกันวัดหลวงปู่เทศเวัดหลวงปู่เลี้ยนวัดกูบายอาจารย์ที่เห็นเห็นเนี่ยนะเมื่อกูบายอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่พ่าตั้ง60 70็ อ, อ, องค์พอท่านร้องรอยไปแล้วอายุพระมาห้าองค์สิบองค์จะรักษากุติเสนาสนะเหล่านั้นได้อย่างไรนี่แหละอันนี้หลวงพ่อเห็นมาแล้วหลวงพ่อก็นับัดระวังในการก่อสร้างทางด้านวัตถุแต่ถึงยังไงก็ออขอให้คณะสัายาติโยมลูกหลานทุกคนเนอฟังเอาไว้ที่คำหลวงพ่อพูดคำนี้นะเพราะหลวงพ่อไม่ใชไ่ไม่อยากจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกหลานแต่ว่า เมื่อสร้างไปแล้วก็กลัวจะมีปัญหาเป็นภาระต่อไปภายภาคหน้าแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราคณะัทธาญาติโยมที่เสียสละทุนทรัพย์ก็ดีกำลังกายก็ดีกำลังความคิดก็ดีที่สร้างได้รับพวกเราได้รับความสะดวกสบายอย่างที่พวกเราได้มาบำเพ็ญกุศลไม่มีฝุ่นถนนหนทางหรือวที่พักพาอาศัย เรียบร้อยก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นได้สละทุนทรัพย์พวกเราได้รับความสะดวกสบายแต่พวกท่านเหล่านั้นได้โรงรอยไปตามอายุสังขารคือตายพูดง่ายๆทั้งเป็นพระด้วยทั้งเป็นพระก็มีนะหลวงตาเจ็กนั่นเองแล้วก็มีที่ล่วงลับไปที่ผ่านวัดของเรากณะกันนั้ศรัยญาติโยงก่อนหลายคนพออายุ หลายสิบปีที่เป็นสิบกว่าปีที่ผ่านไปกว่านั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่มีอะไรที่จะระลึกถึงหรืว่าทดแทนพระคุณเหมือนกับพ่อแม่ของเรานะ่ยพ่อแม่ของเราเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราจะทำยังไงเพราะพระพุทธเจ้าตรันว่าพ่อแม่เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะกร่อนพวกเราควรจะแสดงความกาตัญญูต่อเวทีตายอย่างไรต่อพ่อแม่ของเรา เมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดํารงวงศ์สกุลประพฤตินตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศ ส, สวนกุศลให้ท่านอันนี้คือคือในหลักของพุทธศาสนาแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อผู้มีอุปกรณสร้างวัด ให้พวกเราได้รับความสะดวกสบายเมื่อท่านเหล่านั้นตายไปแล้วนะพวกเราอยู่เบื้องหลังก็ควรจะอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีวันนี้ขึ้นมาพระสงฆ์ขอมาออสวดเจริญพระพุทธมนต์เมื่อคืนนี้แต่ก็ยังเหลืออีกออที่ท่านภายในวัดของท่านท่านพอจะเสียสละได้พวกน้องน้องนองนุ่ ง, งทั้งหลาย ท่านก็มาได้อยู่อย่างนี้แต่องค์ที่มีภาระก่อนท่านสวดมนต์เสร็จแล้วท่านก็กลับไปวัดของท่านเพราะวันนี้เป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นท่านจึงไปรับตอนรับครับสู่ศรัทธาญาติโยมที่มาจากจารตรทิศแต่ละวัดนะถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวขอให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกคนเนอะ หลวงพ่อก็ได้พูดว่ า, เ, าเรากรู้แก่ใจแล้วว่าชีวิตของเราเป็นอย่างที่ท่านทั้งหลายโ ร, โรยไปแต่ชีวิตของเราพวกเราที่นั่งอยู่ด้วยกันนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละจะต้องเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราท่านหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทก็าหากว่าเราคิดว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่เกิดนะเ่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีวันนี้ไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องทาบุญ แต่ในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วท่านยืนร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันเปอร์เซนต์ว่าคนเราเกิดมาตายแล้วตายแล้วเกิดไม่ตายแล้วสูญนะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านมาเกิดได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ใน อย่าตั้งอยู่ในความประมาทพวกเราเกิดในปฏิรูประเทศปฏิรูประเทศสวาโช่จะปุเพจักรตะปุญยตาอัตัสมาปณิธิจะัตปฏิรูประเทศสวัโช่จะพวกเราเกิดในประเทศอันสมควรคือเป็นประเทศไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุงหัวพระบรมวงศานุวงศ์นับถือพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินต์ตั้งแต่นู่นพ่อคุณศรีอินทร a ิ h i ้น่ะนะเป็นนับถือมาโดยตลอดคือพระพุทธศาสนาพวกเราก็มาได้เกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็ดินฟ้าอากาศก็ไม่หนาวไม่ร้อนอยู่เกินไปน้าก็ไม่ท่วมปีน้ำท่วมปีห้าสีนั่นก็คือพวกเราคัดน้ำท่วมกันเฉยๆน ะ, ะแต่ตามธรรมชาติมันจะไม่ถึงขนาดนั้น แต่พวกเราทํากันเองมวลคนในชาติมันทิฏฐิความเห็นไม่ตรงกันไม่ลงกันมันทําได้ทั้งนั้นแหละเพราะนั้นน้ําก็ไม่ถั่วหมากตามปกติหนาวก็ไม่หนาวหมากร้อนก็ไม่ร้อนมากแรงก็ไม่แรงมากออพอเป็นพอไปได้รับความสะดวกสบายอาหารการบริโภคอุดมสมบูรณ์ข้าวน้ําโภชนาะอาหารทุกอย่างปัจจัยสี่พวกเรานับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมาก ที่มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเพราะนั้นขอให้พวกเราเมื่อมาเกิดแล้วนะ่ควรจะตั้งตนไว้ชอบนะปฏิโรปรเทวสะะวาโซจะปุ เ, ปเพจักกตะปุญญาตาพวกเราคงจะมาทาบุญในวันนี้แหละเราก็ตั้งจิตอธิษฐานสาธุนะผู้่าเกิดมาถ้าผู้ฆ่ายังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารยังไม่ถึงยังไม่ถึงพระนิพพาน ยังตัดกิเลสไม่ได้ถ้าว่าข้าพเจ้าเวียนไหวตายเกิดอยู่ก็ขอให้ข้าพเจ้าไปเกิดในประเทศที่อุดมสมบูรณ์จะให้อดจะให้อยากจะให้เกิดในกลุ่มที่เป็นสัมมาทิฏฐิอย่าให้ได้ไปเกิดในกลุ่มที่ข้าฟันลันแทงกันเบียดเบียนกันให้เกิดอยู่ในประเทศที่ว่าข้าวน้ําโภชนาะอาหารผู้ใหญ่ก็ให้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดี ไอ้พวกเราก็คงจะได้ปราฐถนาไว้ในอดีตไอ้อย่างพวกเราวันมาวันนี้แหละพวกเรากราบพระไหว้พระเสร็จแล้วพวกเราก็ตั้งจิตอธิษฐานถ้าหว่าข้าพเจ้าไม่พ้นทุกในชาตินี้ก็ขอให้ข้าพเจ้าเกิดในสถานที่ดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีข้าวน้ําโภชนะอาหารจะได้อดอยากนีพวกเราตั้งความปารถนาอย่างนั้นไวน้นาะปุกเพจกะตะปุญญตาพวกเราจะได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทย เมื่อมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วพวกเราคนควรจะตั้งตนไว้ชอบนี่นะอัตตะสัมมาปณิทิคือตั้งตนไว้ชอบก็คือเรามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเออใช่เราได้เกิดมาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระพุทธศาสนาพบสถานที่เหมาะสมข้าพเจ้าสิ่งไหนที่มันชั่วข้าพเจ้าจะไม่ทำคิดชั่วทาชั่วพูดชั่วเราจะไม่ทาในสิ่งที่มันชั่วนั้นเราจะทาแต่ กรรมดีไอ้สิ่งที่มันไม่ดีทั้งสุรานารีพาชีกีลาบัตทำที่อบายมุกทุกอย่างที่ทำให้พวกเราเดือดร้อนเสียหายทำให้คนอื่นเดือดร้อนเบียดเบียนข้าฟันลันแทงกันไม่มีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีข้าพระเจ้าจะไม่ทำนี่คือตั้งตนไว้ชอบนะถ้าคนตั้งตนไว้ชอบคิดดีทำดีทำดีคิดดีทาดีพูดดี พวกเราจะมีแต่ความสุขการอยู่ด้วยกันเพราะนั้นขอให้พวกเราตั้งตนไว้ชอบเนะในเมื่อตั้งตนไว้ชอบในปัจจุบันได้ก็ดีคนคิดดีทาดีจะไม่ติดคุกติดตลางนึงมื่อออกจากภพนี้ชาตินี้อย่างที่ว่าตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อพูดนะถ้าออกจากภพนี้ชาตินี้กับพวกเราไปสู่สุกติไปสู่ความสุขความเจริญเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ไปเกิดที่ล่ารวยเหมาะสมไม่ทุกข์ไม่จน เพราะว่าบุญกุศลเกือ้อกุนหนุนพวกเราจนพวกเราบำเพ็ญทานศีลภาวนาไปเรื่อยๆจากนั้นก็พ้นทุกในวัฏฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราเอาต่อนี้ไปให้พวกเราตั้งจิตในจิตในใจเนะ้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนกุศ ล, ลต่อผู้มีอุปกรณ อย่างที่ทายกและถวายทานตอนเช้านี่แหละให้พ่อแม่พี่น้องวงสาคานาย า, ยาตญาติพิสหายปู่ญาติตา ย, ายพี่ป้านะ้าอาญาติชนิดนิสหายขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรถ้าเรามีน้ำก็กรวดน้ำถ้าไม่มีน้ำก็น้ำใจถ้ากรวดเ อ, อกรรมาฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า ให้เอาน้ําใจกรวดนะกรวดอุทิศส่วนกุศลประเสริฐกว่าที่จะเอาน้ําแต่น้ํากรวดนะั่นคือเป็นพลังสองนะทั้งน้ําใจด้วยทั้งน้ำนํำน้ํากรวดเป็นสักขีพยานด้วยแต่ถ้าวัดกรวดแต่น้ําใจเราคิดโนู้ไปถึงอเมริกาอังกฤษอเมริกาจิตไม่จดจอ่ออันนั้นก็เหมือนไม่ถูกนะอันนั้นยิ่งเสียหายนะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะถ้าว่าพวกเรา จิตใจของเราจดจ่อที่สนทุศลอยู่แล้วนะแล้วก็มีน้ําขึ้นมาอีกนะเทน้ําลงไปอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศล น, นะลูกหลานนะเออเอาจะถวายผ้าก็ถวายนล้น่จะตุปัจจัยองค์ไหนครูบาอาจารย์ที่ถวายเมื่อคืนแล้วก็ถวายไปรอบหนึ่งแล้วล่ะนะแต่ข่าวนี้ก็คงถวายรอบตอนเช้าที่ครูบาอาจารย์ยังอยู่ถวายจตุปปัจจัยใบปรรณ า, าท่านด้วยเนอะแล้วก็ผ้าอ่ ถวายอกทุกองค์ที่เป็นพระมาจากทินอื่นที่เป็นนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานในวันนี้นะแล้วก็เวลากวดน้ำให้พวกเราสังเกตง่ายๆนะวานธิยะถาวารีวาหาเราก็กวดลิ น, น้ำไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึง องที่รับว่าสัพพีติโยน่ยเราก็กวดน้ําให้หมดพอดีเทน้ําให้หมดพอดีอย่าให้เกินไปแต่เกินไปก็ไม่เป็นไรหรอกแต่อันนี้คือคนโบราณเขาบอกว่าเพราะเขาบอกเอาไว้นะยะถาให้ผีสับพีให้คนท่านว่านะจําๆเอาไว้นะยะถาให้ผีสัพพีให้คนยะถาในแปลว่าอุทิศส่วนกุศลสัพพีในแปลว่า ให้ตั้งความปรารถนาในใจเออขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญออพิษภัยใดก็ตามที่มันเกิดมันมีขอให้ อ, อย่าได้มีอย่าได้เกิดกับข้าพเจ้าคือตั้งจิตอธิษฐานกับตัวเองทนีออ่สัพพิติโยเมื่อผระสงค์อนุให้พรนะออแต่ตอนยะถาเนี่ยออให้เกล้ากวดน้ำาอทิศสวนกุศลนะศรัทธาญาติโยนะจาง่ายๆว่า ยาถายาถาให้ผีสับผีให้คนผีก็คืออะไรคือที่มองไม่เห็นนะ่ะคือนามธรรมู <c oughs> ้ที่หลวงรับดับขันไปแล้วนะเอาเตรียมแล้วนะท่นีนะหลวงพ่อจะให้พรนะนท่านนีนะคณะสงฆ์จะให้พรนะรับพรนะทายาิโยมลูกหลานทุกคนนะถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งที่หลวงพ่อได้ตั้งพูดกล่าวมาเป็นปีๆแล้วนะวันนี้แหะเป็นวันสุดท้ายแหละเป็นวันอุทิศส่วนกุศล น, นั้นลูกหลานนะ